ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเลวสมกับเลวสุหนุชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่28ตุลาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ มาฟังชาดกสักเรื่องหนึง่งนะ้าชื่อสุหนุสุหนุเนี่ยสุหนุชาดกชื่อภาษาไทยว่าเลวสมกับเลวลองฟังเรื่องดูก็แล้วกันนะว่าเลวสมกับเลวได้ยังไงต้นเรื่องก็เริ่มว่าว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยมีภิกษุรูปหนึ่งอาศัยอยู่ที่ในชนบท เป็นภิกษุที่หยาบคายดุร้ายไม่สํารวมในศีลได้เดินทางไปยังพระวิหารเชตวันซึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะเริ่มเรื่องขึ้นมาก็พูดถึงภิกษุรูปหนึ่งนิสัยหยาบคายนะไม่ค่อยสํารวมในศีลก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงแล้วเราสามเณรและภิกษุทั้งหลายได้พูดคุยทักทายด้วย ก็ทราบว่าภิกษุชาวชนบทรูปนี้มีนิสัยหยาบคายต่างก็ไม่ปรารถนาที่จะต้อนรับจึงส่งสุรูปนี้ไปยังที่อยู่ของภิกษุอีกรูปหนึ่งในพระวิหารเชตวันน่าปรากฏว่าสัมมาเนนก็ตามหรือว่าภิกษุก็ตามเข้าไปต้อนรับคือปกติเนี่ยการปฏิสันทานเป็นธรรมดาที่ คุยเจ้าเนี่ยท่านแนะนำมาไว้ว่าว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึง่งเป็นการให้เกียรติกันอย่างหนึง่งนะเพราะนั้นเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่ภิกษุควรกระทำถ้าพบถ้าเจอกันแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปปฏิสันถานคือเข้าไปทักทายนะยิ่งถ้าเป็นภิกษุเจ้าถิ่นก็เข้าไปทำการต้อนรับนะปรากฏว่าพอเข้าไปต้อนรับเสร็จโอ้โหพูดคุยกันแล้ว ปรากฏว่าไม่ไหวเลยภิกษุรูปนี้แย่มากเลยนะกิริยาอาการก็ใหม่สํารวมการพูดจาก็เหมือนกับกระด้างหนะ้าหยาบคายเพราะฉะนั้นก็เลยบอกโอ้โหไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เลยส่งไปส่งไปให้ภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้นะส่งไปให้อีกภิกษุอีกรูปหนึ่งนี่ว่าเพราะอะไรนะซึ่งก็อยู่ในพระวิหารนั่นแหละนะ บากนว่าที่ส่งไปนี่นะจึงส่งตัวภิกษุรูปนี้ไปยังที่อยู่ของภิกษุอีกรูปหนึ่งในพระวิหารเชตวันซึ่งก็เป็นภิกษุที่ผงผางหยาบคายจัดเช่นกันด้วยหวังว่าภิกษุทั้งสองรูปนี้จะขัดเกากันเองด้วยความหยาบคายซึ่งกันและกันออที่ส่งไปให้ภิกษุรูปนี้เพราะว่าโอ้โหภิกษุรูปนี้ก็น่าดูเลยนะก็หวังว่า รูปนี้เจอรูปนั้นนะคงจะแบบว่าเอาละคงจะได้อะไรอะ่ะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกว่ามวยคู่เอก <c oughs> <c oughs> ก็หวังว่าหยับห ย, ยับเจอหยบับหยับใช่ไหมก็จะได้เห็นอะไรอะ่ะเห็นนีสใสกันแล้วก็จะได้จะได้จัดการกันเองอะ่ะนะอันนี้ก็คิดไปตามธรรมดาเนี่ยแหละครั้นพิสูจ์สังสอนได้พบปะพูดจากันแล้ว กลับเป็นที่ถูกคอนิยมชมชอบต่อกันรักใคร่สามัคคีกันช่วยเหลือดูแลกันเป็นอย่างดียิ่งอ้าวกลายเป็นงั้นคิดว่าจะให้แบบว่าหยาบต่อยาบนี่เจอกันแล้วก็จะได้ขัดเกลากันปรากฏว่าตอนนี้เลยกลายเป็นพระวิหารนี้เลยมีภิกษุหยาบเป็นเพื่อนกันสองรูปขึ้นมาละ นั่มันกลับตลปัดเกินเกินความที่จะคิดไปถึงทำให้เป็นที่แปลกประหลาดใจแก่ภิกษุทั้งหลายต่างพากันสนทนาในโรงธรรมมสภาว่าดูเอาเถิดภิกษุทั้งสองรูปนี้ต่างก็ดุร้ายหยาบคายอย่างสาหัส ต, ต่อผู้อื่นแต่กลับชื่นชมยินดีสามคัคคีต่อกันอยู่ร่วมกันด้วยความรักต่อกันและกันได้ คือก็สงสัยว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงพระศ า, าสดาสเสด็จมาที่โรงธรรมโรงธรรมพอดีโรงธรรมสภานี่นะทรงถามถึงเรื่องที่พิกษุส น, สนทนากันแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนพิกษุทั้งสองนี้ก็ดูร้ายจัดแต่ครั้นพบเห็นกันแล้วก็ชื่นชอบใจกันด้วยความรัก คือพุทเจ้าถ้าบอกว่าไม่ใช่แค่ตอนนี้เท่านั้นแต่ก่อนเนี่ยก็ชอบใจกันมาแล้วแล้วทรงนำเรื่องราวในในครั้งก่อนนั้นมาตัดเล่านะก่อนที่จะเล่าเรื่องในอดีตเนี่ยทําให้อดัมานึกถึงอย่างหนึ่งนะคือบางครั้งเราก็คิดอย่างนั้นนะคิดว่าเออคนที่หยาบหยาบเนี่ยต้องเจอคนที่หยาบหยาบใช่ไหมถึงจะแบบว่าปราบกันนี่ยถึงจะแก้กัน แต่บางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะปรากฏว่าหยาบเจอหยาบอาจมานึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงน้ําก็ไหลไปหาน้ำใช <c oughs> ่ไหมน้ํามันก็เข้ากันได้กับน้ํามันถ้าเอาน้ํากับน้ํามันเนี่ยมาผสมกันเอามาเทร่วมกันเป็นยังไงอยู่ในถ้วยเดียวกันก็จริงแต่แต่มันแยกกันมันไม่เข้ากันแต่ปรากฏว่าถ้าเราเทน้ํากับน้ํานม น้ำกับน้ำนมเป็นไงเออมันเข้ากันมันกลืนกันได้ถ้าน้ำกับน้ำนมนี่กลืนกันได้แต่ถ้าน้ำกับน้ำมันมั น, มนกลับไม่กลืนกันเข้ากันไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยถ้าจะปราบแสดงว่าถ้าจะปราบคนหยาบบางทีเราจะใช้คิดง่ายๆว่าต้องเอาหยาบกว่าไปปราบเขาใช่ไหมโดยโดยโดยบางทีถ้าคิดแบบแบบธรรมดาทั่วๆไปก็คิดว่าต้องเอาหยาบกว่าไปปราบเขา ใช่ไหมเขาถึงจะยอมได้หรือถ้าเขาเสียงดังเนี่ยเราต้องเสียงดังกว่า <c oughs> เราคิดว่าแหมจะได้สยบเขาได้เนี่เราคิดโดยธรรมดาเราแต่บางทีมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะบางทีเขาเสียงดังเราอาจจะปราบเขาด้วยอะไร เ, ออเราอาจจะปราบเขาด้วยเสียงเงียบก็ได้นะซาวด์ไซเลนด้วยเสียงแห่งความเงียบก็ได้ทําให้เขาสยบลงมาก็ได้ เพาอันนี้จะต้องจะต้องอะไรอ่ะศึกษาจะต้องมีประสบการณ์แหละเพราะว่าวิธีการปราบมังคงมีหลายวิธีนะอั น, นเนี้ยเนพอดีนึกขึ้นมาได้นะก็เลยขอแทรกหน่อยหนึ่งอาเสร็แล้วตอนนี้พูะเจ้าท่านก็เลยจะตัดเล่าแหละว่าเนี่ยนีเนี่ยภิกษุสองลูปเนี่ยดุร้ายจัดมาไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็ดูร้ายมาแล้วก็เข้าเข้าก็ได้เป็นปีเป็นคุยมาแล้ว นั่นก็เลยเล่าเรื่องในอดีตว่าในอดีตการคราวที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีตรงเนี้ยเคยมีคนถามอยู่เรื่อยเลยว่าเอ๊ะทำไมชาโดก์หลายเรื่องเลยเยอะแยะไปหมดทําไมก็พระเจ้าพรหมทัตแล้วก็คลองราชอยู่ในกรุงพาราณสีอยู่เรื่อยเลยอาตมาก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ก็น่าก็น่าคิดอยู่เหมือนกัน ว่าอาจจะเป็นสัมนวนก็ได้นะบางทีนึกถึงว่าเอออาจจะเป็นสัมนวนก็ได้ที่ใช้กันเนี่ยเหมือนเราชอบใช้สัมนวนนะอะไรนะโจรห้าร้อยสัมนวนอะไรอะที่ที่ที่เราชอบใช้อะบางทีมันก็ไม่ได้หมายความว่ามีโจรอยู่ห้าร้อยคนอะไรมันก็ไม่ใช่อะ่นะแต่มันเป็นสัมนวนที่เราใช้ใช้กันอันนี้ก็เหมือนกันคือเรื่องของชาดกเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดเล่าก็มี แต่มาตามที่เคยศึกษาแล้วก็เท่าที่พอจะรู้มาได้เนี่ยนะบางทีคิดว่าก็เป็นเกจิอาจารย์เนี่ยมาแต่งขึ้นด้วยามาจําชื่อท่านไม่ได้ละท่านเคยไปอยู่ที่อินเดียแล้วท่านก็แต่งแต่งเรื่องขึ้นมาเป็นชาดกโดยที่เอาบางทีก็เอาพระพุทธพจน์เอาคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งท่านตรัสเอาไว้สั้นๆ เสร็จแล้วก็ท่านเนี้ยแหมอาตมาก็ไม่น่าดื่มชื่อไม่รู้พระพุทธโกษาจารย์หรือปาก็ไม่รู้นะขออภัยนะ ถ, ถ้าจำชื่อผิดแต่เนี้ยท่านก็ไปอยู่อินเดียแล้วท่านก็ก็ไปแต่งพวกนี้เอาไว้ด้วยนะซึ่งบางทีท่านก็อาจจะอย่างเงี้ยพระเจ้าพ ม, มาทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาลลัสีเหมือนกับนาเรื่องอยู่เรื่อยเลยจริงมันก็เป็นความหมายอยู่นะก็ ก็พระเจ้าพรหมทัตพรหมทัตยอยู่เรื่อยอ่ะนะก็หมายถึงว่าก็เอาก็เราฟังแล้วก็ฟังอย่างพรหมแล้วกันนะคือฟังด้วยความเข้าใจนะด้วยควา ม, มเมตตาด้วยความเอ็นดูก็แล้วกัน อ, อันนี้ก็เหมือนกันก็นกเริ่มเริ่มเรื่องอย่างเงี้ยนะพระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติอยู่ในกรุงพระนสีแต่ว่าก็มีเหมือนกันนะที่มีชื่อกษัตริย์อย่างนี้จริงๆด้วยในประวัติศาสตร์ ของของของเนี่ยในพระไตรปิฎกในแดงต่างก็มีจริงๆแล้วก็มีชื่อซ้ำๆกัน ก, ก็มีด้วยนะอาจานี้พระเจ้าพร ม, มทัตแหละแม้จะทรงมีราชสมบัติมากมายแล้วก็ตามแต่ก็ยังทรงมีความโลภในการแสวงหาทรัพย์เข้ามาและเสียดายที่จะจ่ายพระราชทรัพย์ออกไปนะสหรับพระเจ้าพร ม, มทั์ในคราวนี้ ปรากฏว่าขนาดเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาแล้วก็ยังยังอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเข้ามายังอยากจะ ก, กอบโกยซึ่งพระองค์ทรงมีมหาอามาตถ์ผู้เป็นบัณฑิตท่านหนึ่งคอยช่วยเหลือภารกิจราชการทุกอย่างให้อีกทั้งเป็นผู้ถวายความรู้และถวายธรรมะแด่พระองค์ด้วยวันหนึ่งมีพวกพ่อค้มาม้าชาว อุตราบทได้นำม้ามาขายห0 0ตัวมหาอัมมายจึงกราบทูลเรื่องม้าให้พระราชาทรงทราบ พ, พระเจ้าพรหมทัตก็ทรงปรารถนาจะซื้อเอาไว้แต่เพราะตามปกตินิสัยของมหาอัมมายนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมมักจะตีราคาม้าให้แก่พ่อค้าด้วยราคาเป็นธรรมตามคุณภาพของมา้าโดยจะไม่กดราคาเลยและจะไม่ต่อรองราคาอีกด้วย นะอันนี้อันนี้คนที่อะไรอะ่ะมีธรรมอะ่ะแล้วก็ยุติธรรมนะออกมาคุณภาพอย่างนี้เอาก็ตีราคาไปนะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไปกดราคาเขาให้ราคาต่ํากว่าที่ความเป็นจริงถ้าคนที่มีกิเลสนะเวลาถ้าเราไปซื้อนะขอแถมหน่อยอันนี้ไม่ต้องขายหรอกขายมั่งอะ่ะถามหน่อยใครไปซื้อของแล้วไม่เคยต่อเลยบ้าง อาทำไว่าหายากเนะยิ่งสังคมทุกวันนี้เพราะว่าเราเราชอบคิดว่าอย่างไงอย่างแรกเราชอบคิดว่าอย่างไงว่าพอค้าแม่ค้านี้เขาขะเขาตั้งราคาเพื่อให้ต่ออย่างแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเนี่ยที่เขาตั้งราคาเนี่ยเขาต้องตั้งสูงเกินความเป็นจริงใช่ไหมตามตามที่เราควรจะซื้อได้อ่าเพราะว่พอเราเราคิดอย่างเงี้ยเราก็เลย ไปเจอที่ไหนแล้วก็ต่ออยู่ล่ําไปอ่ะโอ้โหบางคนต่อน่ากลัวมากเลยสมมติว่าราคาสักร้อยอย่างเงี้ยก็ตั้งไว้ร้อยต่อเท่าไหร่ไม่ห้าสิบประเด็นนี้ต่อเหลือสามสิบสี่สิบเองอ่ะแล้วปรากฏว่าเขาขายซะด้วยนะโอ้แล้วก็ทําให้รู้เลยนะรู้เลยว่าจริงๆเลยอ่ะโอโ้สังคมทุกวันเนี้ยบางทีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยประเภทโกงราคาเนี่ยตั้งราคา เตืนความเป็นจริงเนี่ยเยอะมากเลยโลภขี้โลภเอารักเอาเปียบมากตั้งชนิดเตียไกลลิบลิ้วเลยยิ่งถ้าเจอคนต่างชาติที่เขาบางทีไม่ค่อยรู้นะโอ้โหบวกไปไม่รู้ตังกี่เท่าบางทีถ้าขายอสมมติว่าในเมืองไทยถ้าขายคนไทยนะขายปกติอา้าวอันนี้เท่าไหร่ขายห้าสิบาทแต่ถ้าพวกฝรัง่งพวกต่างชาติมาซื้อบางทีบอกเขาเท่าไหร่แล้วเออบอกเขาสองรยบอกเขาเท่าไหร่ไปแล้ว อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นนิสัยที่ให้เห็นเลยว่าโอ้เป็นอย่างนี้จริงๆริงกิเลสของคนเรานะมันก็เลยทำให้เนี่ยความรู้สึกของคนมันไปซื้อของเนี่ยก็จะต้องต่อแน่นอนนะเพราะว่าเชื่อไม่ได้หรือไว้ใจกันไม่ได้แล้วว่าคนขายคนที่เอาสินค้ามาขายเนี่ยจะซื่อสัตย์จะสุดจะิตแล้วก็จะยุติธรรม นะอันนี้แหละมันทำให้สังคมก็เลยอยู่ในวงการต่อรองต่อให้เป็นเจ้าของเองแล้วก็ตั้งราคามาขายเองนะไม่ใช่เป็นยี่พวัวซาพัวไม่ใช่เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็เชื่อว่าเนี่ยตั้งราคาเนี่ยเอากาไรมากมายยิ่งพวกนายทุนทุกวันเนี่ยโอ้โหยิ่งถ้าผูกขาดได้นะผูกคาสินค้าได้เนี่ย คุณเอ้ยไม่มีใครคนอื่นจะสั่งเข้ามาได้หรือไม่มีใครคนอื่นจะขายนี่นะมีเขาแต่ผู้เดียวเนี่ยโหยิ่งโกงราคาริบลเลยเพราะว่าอะไรเพราะใครๆก็ต้องมาซื้อเขาไม่มีทางเลยเนี่ยิย่งถ้าเป็นข้าวของที่จําเป็นเนี่ยเขาถึงรัฐบาลก็ถึงต้องใช้อะไรมาตรการตึงราคาสินค้ า, าไว้วันทีไม่ให้แบบว่าพวกนายทุนเนี่ยขึ้นราคาง่ายๆหรือโกงราคาง่ายๆ เพราะว่าคนมันยังมีนิสัยขี้โลโแบบนี้อยู่นะอัานี้ก็เหมือนกันแต่ปรากฏว่าแต่มหาอมาตย์คนคน like ี้เป็นคนยุติธรรมนะเพราะงั้นก็จะตั้งราคาม้าอย่างยุติธรรมเหตุเช่นนี้เองพระเจ้าพรหมทัตจึงตัดสั่งให้อามาตย์ท่านอื่นเป็นผู้ไปตีราคาม้าแทนเพราะอะไรเพราะพระราชาองค์นี้ขี้โลรู้ว่าอามาตย์คนนี้นี่ เป็นคนยุติธรรมเพราะนั้นก็เลยไม่ให้อ მ านี้ไปให้คนอื่นไปตีราคาม้าแทนโดยทรงกําชับคนที่จะส่งไปเนี่ยนะนี่เนท่ยทำท่าน อ, านอมาตคือส่งอมาตคนอื่นไปท่านจงไปตีราคามา้าแต่ก่อนที่ท่านจะตีราคาจงปล่อยม้าพยศดุร้ายที่ชื่อมหาโสนะให้เข้าไปอยู่ภายในฝูงม้านั้น เพื่อที่มันจะได้ทําร้ายกัดม้าตัวอื่นให้เกิดบาดแผลเมื่อมีม้าบาดเจ็บอยู่ในฝูงด้วยท่านก็จงกดราคาม้าที่จะซื้อต่อรองราคาม้าให้ต่ําลงมากๆโอ้นี่โกงแล้วนะอย่างนี้เขาเรียกว่าโกงแล้วนะวางแผนเลยวางแผนบอกให้อํามัดคนอื่นเนี่ยไปแล้วก็ให้ปล่อยม้าพยศนี่เข้าไปในฝูงให้ม้านี่ไปทําร้ายตัวอื่นเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับ สินค้าชำรุดใช่มอ่าไปกัดม้าตัวอื่นให้บาดเจ็บเนี่ยเหมือนกับสินสินค้าชำรุดมันธรรมดาอยู่แล้วว่าคนขายของอะ่ะถ้าคุณขายของแบบของชำรุดหรือว่าของที่มันมีตาหนิของที่บกพร่องหรือบางทีตลาดจะวายอยู่แล้วเงี้ยใช่ไหมบางทีก็เป็นยังไงแล้วต้องเริ่มขายแบบลดราคาลงมาแล้วใช่ไหมจากจากราคาปกติเนี่ยเนี่ยพระราชาคนนี้นี่ใช้แผนนี้ล่ะ อัมมาศผู้นั้นก็รับพระราชบัญชาได้ไปกระทำตามพ ร, พระราชประสงค์ซึ่งทำให้พ่อค้ามา้าชาวอุตราบทขายม้าได้ในราคาถูกเป็นที่ไม่พอใจกันยิ่งนักจึงเอาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปเล่าให้มหาอัมมาศทราบเรื่องนะคือพวกพ่อค้าม้านี่ก็รู้ว่ามหาอัมมาศเนี่ยยุติธรรมนี่ไม่เป็นคนดี ว่าพอโดนพระราชาเล่นแผลนี้เข้าก็เลยไปเหมือนกับไปร้องทุกข์ให้มหาอมาตฟังว่าเนี่ยโอ้โหโดนอย่างนั้นโดนอย่างนี้มหาอามาตฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นความไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมที่คดโกงกันในการซื้อขายครั้งนี้จึงออกอุบายขึ้นอย่างหนึ่งโดยถามพวกพ่อค้ามาว่าที่เมืองของพวกท่านนั้นไม่มีม้าดุบ้างเลยเฉยหรือ อ้าล้นะนี่วิธีแก้เผ็ดพระราชาพ่อค้าม้าพยักหน้าตอบว่ามีสิเป็นม้าที่ดุร้ายหยาบคายมากชื่อว่าสุหนุดูดนะนี่นี่ม้าที่อยู่อีกเบืองหนึ่งชื่อสุหนุแต่ม้าเมืองเนี้ยที่บอกว่าดุดุร้ายเนี้ยชื่อมหาโสนะนี่คนคนละชื่อกันนะคนละตัวกัน มหาอามาตย์ก็ดีใจยิ้มรับแล้วก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงกลับไปนมาม้ามาขายอีกแต่คราวหน้าจงนำมา้าสุหนุกลับมาด้วยเถิดแล้วพวกท่านทั้งหมดจะขายม้าได้ในราคางามพวกพ่อค้าม้าก็รับคำของมหาอามาตย์เมื่อเดินทางกลับไปถึงเบืองของตนแล้วก็ได้นำฝูงมา้ามาขายอีกแต่คราวนี้มีม้าสุหนุที่ร้าย ร่วมมาด้วยพระเจ้าพ ม, มาทัตพอได้ทรงสดับข่าวที่พวกพ่อค้าม้าชาวอุตราบทนําม้ามาขายอีกก็ทรงดีพระไทยดีพระไทยทีเพราะว่าอะไรเพอจะได้กดราคาอีกน่นจะได้ซื้อม้ามาอีกคราวนี้รับสั่งให้เปิดสีหาบัญชรสีหาบัญชรคืออะไรอ่าสีหาบัญชร น, นะให้รู้นะว่า แปลว่าหน้าต่างเพื่อจะได้ทอดพระเนตรมาทั้งหลายด้วยแล้วยังคงแล้วยังคงตรัสสั่งให้อำมาต์คนเดิมเป็นผู้ไปตีราคามา้าโดยมีพระบัญชาให้ปล่อยมา้าปล่อยม้ามหาโสนะเข้าไปปราปนเช่นครั้งที่แล้วะนาะใช้แผนเดิมอีกพระราชานี่แต่คราวนี้พวกพ่อค้าม้าได้รับคำแนะนำจากมหาอำมาตย์มาแล้ว จึงปล่อยม้าสุหนุออกไปบ้างเนี่พอทางนู้นปล่อยม้ามหาโซนะมาทางนี้ก็ปล่อยม้าสุหนุเข้าไปเลยพอมาทั้งสองประจันหน้ากันส่งเสียงร้องอย่างคึกขนองอยู่สักครู่แล้วก็ตรงเข้าเลียร่างกายของกันและ ก, กันด้วยความยินดีพอใจไม่ได้ทะเลาะ ก, กัดกันให้บาดเจ็บเลยแสดงว่ามหาอมาตย์คนนี้เป็นไงรู้จริต รู้นิสัยของของคนของสัตว์รู้เลยว่าวิธีจะแก้แก้มาดูนี่ต้องใช้วิธีนี้เข้าไปดูต่อดูมาเจอกันเลยกลายเป็นมีเพื่อนแมตอนแรกเหงาตอนแรกอยู่แต่ผู้เดียวดูแต่ผู้เดียวนี่เหงาใช่ไหมคนอื่นเขาไม่ดูด้วยคนอื่นเขาไม่ดูด้วยใช่ไหมเขาไม่เอาด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่าไม่มีพวกก็เลยเล่นงานคนอื่นเขาที่ยวกัดเขา เดี่ยวทําร้ายเขาแต่คราวนี้พอเจอม้าประเภทนิสัยเดียวกันหรือเลวไปด้วยกันพูดง่ายนะเลวต่อเลวมาเจอก็เลยมีพรรคพวกเลยเลยดีใจอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็เลยไม่ไปเที่ยวทําร้ายมาตัวอื่นพระราชาทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็ทรงสงสัยยิ่งนักจึงตัดถามมหาอมาตย์ซึ่งเข้าเฝ้าอยู่ใกล้ๆว่าดูสิ ม้ามหาโสนตัวนี้มีปกติดุร้ายหยาบคายเที่ยวเกกะระรานมักกัดม้าตัวอื่นให้บาดเจ็บถึงพิการอยู่เสมอแต่ฉะไหนบัดนี้จึงมาเลียม้าตัวอื่นด้วยอาการชื่นชมยินดีนี่มันเรื่องอะไรกันเล่านะสงสัยแ่ะมาหามาเห็นเป็นโอกาสดีแล้วที่จะถวายธรรมะแด่พระเจ้าพระ ม, มทัศเอาแล้วนะ จะถวายถวายอะไรถวายคุ้มทรัพย์แล้วนะครานี้ให้กับพระราชาจึงกราบทูลไปว่าการที่ม้ากโกงมหาโสนะไม่ดุร้ายหยาบคายแต่กลับรักไข่ชื่นชมม้าตัวนั้นก็เพราะม้าตัวนั้นชื่อสุหนุเป็นม้ากโกงดุร้ายเหมือนกันแม้ม้ามหาโสนะมีนิสัยดุร้ายประพฤติคดโกงเช่นใดม้าสุหนุ ก็มีนิสัยดุร้ายและความประพฤติคดโกงเช่นนั้นมาทั้งสองต่างมีปกติดุร้ายคดโกงเสมอกันคือย่ำเสมอกันด้วยการวิ่งอย่างคึกขนองและเสมอกันด้วยการกัดเชือกที่ล่ามไว้แล้วทําร้ายผู้อื่นความชั่วย่อมสมกับความชั่วความคดโกงดุร้ายย่อมสมกับความคดโกงดุร้าย อันนี้กำลังเปรียบเทียบเลยนะกำลังกำลังอะไรอะ่ะพูดเป็นในในแล้วกำลังเริ่มพูดเป็นในในให้ให้พระราชาเริ่มรู้แล้วนะว่าว่าไปใช้วิธีคดโกงแบบเนี้นะก็เปรียบเหมือนมาโสมหาโสนะนะใช้วิธีคดโกงยี้พอไปเจอวิธีเดียวกันพูดง่ายๆนะก็เลยกลายเป็นไม่ดูร้ายปราบทูลเตือนสติอย่างนี้แล้ว มหาอมารดก็ได้ถวายโอวาทแก่พระราชาอีกว่าข้าแต่มหาราช ธ, ธรรมดาของพระราชาผู้ทรงธรรมนั้นย่อมไม่สมควรคดโกงด้วยความโลภไม่ทําสมบัติของผู้อื่นให้เสียหายและควรตีราคาม้าให้เป็นไปตามธรรมฟังคํากราบทูลเช่นนั้นพระราชาทรงบังเกิดความละอายได้สติในธรรมะนั้น คือจริงๆพระราชาก็ไม่ใช่คนโง่อยู่แล้วนะฉลาดแต่ฉลาดโกงไง น, นะฉลาดถึงขั้นเนี่ยบอกให้ปล่อยม้าแล้วก็ไปเล่นงานม้าตัวอื่นนี่แสดงว่านี่มีไหวพริบนะมีสติปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาทางบิชาทิฐิคราวนี้พอโดนนะอะไรอ่ะโดนแก้แก้เพดแล้วก็โดนอบรมสั่งสอนจากมหามาดก็ค่อยๆได้สติขึ้นมา จึงทรงกระทําตามคําสอนของหมหาอมาัมบาตรับสั่งให้ตีราคาม้าตามที่เป็นจริงพวกพ่อค้าม้าต่างก็ร่าเริงยินดีในราคานั้นขายมาเสร็จแล้วก็พากันเดินทางกลับไปยังเมืองของตนพระาศาสดาทรงสแสดงชาดกนี้จบแล้วจึงตรัสว่าม้าดุร้ายสองตัวนั้นก็คือภิกษุหยาบคายสองรูปในบัทนี้พระราชาก็คือพระอานนท์ในบัทนี้ ส่วนมหาอามาตถผู้เป็นบัณฑิตนั้นก็คือเราตถาคตนี้เองนะชาดกนี่ก็จบนะซึ่งเรื่องนี้พวกเราฟังฟังไปแล้วจริงๆก็มีมีแง่คิดหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะซึ่งอันนี้เราเราลองมาอะไรเขาเรียกว่าอะไรมาพิจารณานะหรือว่าเราจับประเด็นอะไรในในเรื่องนี้ได้บ้างที่จะมาใช้ เป็นประโยชน์สำหรับเราเองนะโดยเฉพาะเรื่องตั้งแต่ต้นต้นเรื่องนะภิกษุสองรูปที่หยาบคายนะพออยู่ด้วยกันกับอารมณ์ดีขึ้นแทนที่เราจะไปใช้วิธีรุนแรงกว่าไปปราบนะก็ไม่ใช่นะพอเขามีเพื่อนรู้สึกว่าเออก็ดีขึ้นหน่อยไม่เที่ยวไประรานไม่เที่ยวไป อะไรใครเขาซึ่งจะให้เห็นเลยว่าจริงๆคนเราแต่ว่าท่าไปเปรียบเทียบในเรื่องนี้ท่านไปเปรียบเป็นเป็นม้านะเป็นสัตว์แตนความจริงเนี่ยท่านก็เจตนาที่จะมาสอนคนเรานั่นแหละว่าจริงๆคนเราเนี่ยดุร้ายยังไงก็ตามจริงๆคนเราไม่ได้เลวถึงกับร้อยเอร์เซนชนิดที่เรียกว่าโอ้โหไม่มีว่าจะเป็นพวกใครได้เลยหรือว่า ไม่มีใครมาเป็นพวกได้เลยก็คมไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่ามันไหวไหมล่ะมันอยู่กับคนระดับไหนไหวไหมถ้าบางทีเนี่ยมันช่องว่างมันห่างมากเกินไปก็อยู่กันไม่ได้เพราะัา้อย่างอย่างพระเจ้าเนี่ยท่านก็ตัดรอบเหมือนกันถ้าหยาบเกินไปนะจนกระทั่งเรียกว่าโอ้โหกิเลสหนาเกินไปท่านก็ไม่เอาท่านก็ไม่ครบด้วยเลยนะท่านถึงได้ใช้ ว่าอะไรไม่ไม่ครบคนชั่วเป็นมิตรท่านก็เอาอย่างนั้นเลยนะอันนั้นอันนั้นคือหยาบมากเกินไปละวแต่ตานี้ถ้าไม่ได้หยาบถึงขนาดนั้นพอที่จะอยู่ในหมู่ในกลุ่มของคนอื่นได้เพียงแต่ว่ายังเกกะระรานนะยังหยาบคายอยู่ซึ่งซึ่งเนี่ยในการปฏิบัติธรรมของพวกเราเราก็จะเจอเหมือนกันแล้วก็พบเห็นเหมือนกันว่าบางคนนี่ยังหยาบคาย นะขี้โมโหขี้โกรธพูดจาก็รุนแรงเราก็ยังเห็นอยู่ก็เจออยู่เหมือนกันนะแต่แต่ น, นี้ส่วนใหญ่เรามักจะเผล อ, อยังไงทุกทีส่วนใหญ่เราไม่ยอมเผล อ, องไงทุกทีบอกว่าพอเราไปเจอพวกนี้ปับ๊บเป็นยังไง <k> เขาใส่เรามาเราก็ใส่กลับส่วนใหญ่เราเราจะเผล อ, อย่างงี้เขาใส่อารมณ์เรามาหมายถึงว่าเขาโกรธ เขาโมโหใช่ไหมเขาแสดงกริยาหยาบคายใสเราตูมส่วนใหญ่บางทีพอเราเจออย่างนี้ปั๊บเป็นไงเราก็กดปุ๊บติดปั๊บเหมือนกันขึ้นวูบเหมือนกันนะนะพอเราวูบเสร็จเราก็ยังไงเราก็ตูมใส่เหมือนกันเนะี่ยแล้วจากนั้นนะ่ะบางทีเราเรามักจะเป็นอย่างเงี้ยอารมณ์เราก็จะขึ้นเหมือนกันนะซึ่งซึ่งถ้าอย่างเงี้ยบางทีเราก็ชนกันชนิดอะไรอะ่ะต้องเสียงดังกว่าคือถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเอาชนะกันที่ว่า ต้องเนื้อกว่าต้องเนื้อกว่าเพราะงั้นก็ยิ่งโอ้โหเลวร้ายแล้วก็ทะเละเาะบ่อแวง่งแล้วก็รุนแรงไปเรื่อยๆแต่นี่ปรากฏว่าคนที่นิสัยคล้ายกันเนี่นะคล้ายกันแล้วจะไม่ทะเลาะกันคนที่พูดง่ายรสยิยมทํานองเดียวกันชอบกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันอชอบกินไอศครีมเหมือนกันอะไรอีกนะรสยิมที่มันคุยกันได้อะ่ะ คุยก็แล้วเป็นปีเป็นขุยไปกันได้ในสายตาคนอื่นเขาว่าลายนะนนี้รายอันนี้รา ย, นนายแต่พวกเดียวกันไม่รายหรอกรู้สึกว่าได้พวกได้เพื่อนใช่ไหมมันก็กลายเป็นโอโ้โหมีความสุขนะกลายเป็นเบิกบานกลายเป็นยินดีกลายเป็นอะไระร่าเริงพอใจไปได้ซึ่งอันนี้ไม่ไม่ไม่ง่ายนะเพราะว่าจะไปให้เราทําอย่างนั้นเราก็โอโ้โหเราไปทําได้ไงเขาขี้โกรธเขาขี้มโมโห เขายังไงเขาหลุนแรงมาเราก็อ๋อจะไอ้นั่นได้ต้องต้องเป็นพวกเดียวกับเขาต้องไปทำเหมือนกับเขาเหรอซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ให้เรารู้ว่าว่าการที่เขาเนี่ยจะไม่โกรธไม่เกลียดใครเนี่ยมันจะต้องไม่ตรงข้ามกับเขาจนเกินไปเข้าใจไหมอันเนี้ย